คือสองสัยว่ามีความเวลาที่เหมะบบบนานะบบนานสมมีความเการนั่นเพื่อนั่สุสครับว่าจะนั่งกี่นาทีกี่ช่วโมงแล้วเปลี่ยนกี่บบนาอรีบบไปเดินตรงๆแต่คนกิ่งเหมือนกันเลยโยนลงดู รางกายก็อาจจะไม่ปวดเมื่อยเท่าไรก็อาจจะนั่งเล่นนาตแบบคนสูงอายุคนนีก็มันไม่มีกำหนดแต่ถือว่าเราประเมรู้ว่าร่างกายปวดเมื่อยสมควรเปลี่ยนแล้วก็ค่อยเปี่ยนไอควารู้สึกว่ามันมันเออมันปวดมากนะมากก็สมควรแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างมีกติอยู่านี้ก็ได้ เดินก um ็เหมือนกันก็ไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดเวลาก็แต่ก็พยายามอย่ยให้มันสั้นเลนไปบางคนแบบคางที่คนก็เปลี่ยนดีดหดเขาความเหนื่อยนั่งนั่งง่วงนั่งงงซ่าที่เปลี่ยนเลยนีมันก็บางทีเรือก็เลยเปลี่ยนไปทําอื่นนะเราต้องโฟมก็ทา เปีนเ่นแต่ถ้าเราปกติเ่านั่งซึ้งไปเราาืเ่ อ, อยบางทีก็จะอยู่ที่กระดูกคนเดินไดนานขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตัววัดนะว่าคนหน้าเลนานหรือเดินได้นาปฏิบัติดีกว่าคนที่นั่งได้สั้นกว่ามันอยู่ที่คุณภาพในแต่ละครั้งที่เรายกมือแต่ละครั้งที่ยกมือ แต่และรอบสมมติเรารนะู้ตัวนะสมมติสิบสี่จังหวัดรู้สิบสามจังหวัดหลงไปจังหวัดอื่งที่ก็บางคนทำไปรู้ขึ้นรู้ขึ้นหลง ข, ข, ข, ขึ้นไปแบบนี้ได้แต่แต่ละคนรมะแต่ให้เอาความเบื่อเวทานาความรู้ควาการคป็นตัวปรับเปี่ยน ไปเรารู้สึกมันเหมือนซึ้ง ถ้าเราเหมือนวัมคือเราลืนตาแต่ว่าเราจะเหมือนจะไม่เพ่งแต่ว่าคือเราจะไม่เพ่งมากเกินไปแต่รู้สึกเหมือนจะพักนึ่งเังเราจะเบลเลยตัวองไหมยนี้คือในขณะไม่ึ้นมาถามว่าชื่อที่โยนเบลอซเซูซึ่งนั้นมันจะมีค่อยปุงสร้างมันจะมีค่อยคิดมากแต่ถ้าใครปรุงสร้างมากมากคิมากมากมันก็จะไม่เึงอมันก็จะม่เบอ มันมีความสุมความเบลอความน่วงนะมันเกิดเพราะว่าจิตเราแหละที่มันแต่ก่อนมันเคยมันเคยคิดนั่นที่นี่หลายหลเรื่องถ้าเราเข้าไปกับความคิดแต่พอเราเรามีสติรู้ตัวกายจิตมันคล้ายๆเหมือนมันไม่เคยได้มันไม่ได้เสกกับรสชาติเดิมที่มันเคยเสก คือความคิดหรืออารมณ์ต yes, like like ่างๆมันก็เลยแบบเกิดความรู้สึกเหมือนซึ้งๆคล้ายๆแม้ว่ามันไม่ได้ดีนะแต่เคยได้ยินหลายคนพูดเหมือนคนกินกาแฟเป็นประจำทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟจะรู้สึกไม่สดชื่นเบลอๆหรือว่าจะมันจะมีความรู้สึกเหมน ถ้าเราได้กินกาแฟขึ้นมามันจะสดชื่นขึ้นมาจิตก็เหมือนกันที่จริงตอนที่มันเดินๆถ้ า, าได้มีเรื่องมาคิดเรืยสักอย่างนะหายไปเรื่อยเลยลงเพราะมันเป็นคุ้นเคยกับสิ่งที่เราเราเคยทำเนาะมันก็เลยที่จริงไปทางสงมาธิเป็นเหตว่ามันขาสติไปเ ม, มันก็เลยได้กินตัวอันนั้น เหนือนเราทำอะไรซ้ำเหมือนแม่ที่ไกวไปลูกนะลูกในจังหวะเองที่สมองเสมอเองไปเองมาเราเองก็ไกวเหตุโดยเองนะจังหวะสมองเสมอมันก็เลยจิตมันก็เลยซึมลงไปวิธีแก้คือทำให้เรื่องเรื่องเปลี่ยนจังหวะางเปลี่ยนจังหวะจังหวะดึงดึง พอดีพอดีเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนจังหวะอันนี้หยุดนานขึ้นนิดนึงอันนี้เดิขนขนิดนึงเลยนะมันจะทำให้จิตมีตื่นขึ้นมานะแล้วก็อีกอย่างมีมองไปไกลๆเพิ่มขึ้นนะเปลี่ยนตาเปลี่ยนมองเปลี่ยนเรือกการมองแทนที่จะมองตรงๆมองต่งๆ ม, มองสูงขึ้นมองข้างบ้างอะไรนะครับ อย่างที่ช่วยก็ลองบางทีก็พักกันพักกันยกมือหรือว่าจะยกมือไปด้ก็ได้นะกำลังลมหายใจเข้าซึ้งเสึิเพิ่มออกซิเจเข้าไปอมันจะได้สื่อตัวดื่มคนเนี้ยมันช่วยได้หมดเลนะแต่สิ่งสําคัญคือใจเราอ่าที่มันรีทอฟความเบื่อหรือว่าสงสัยกังเบื่อนะ ให้เรารู้ทันด้วะมันจะแทรกเข้ามาตรงนี้เนาไม่ผิดนะาที่จะเกิดอารมณแบบนี้ขึ้นมาแต่เราก็มีวิธีแก้ได้ด้ยรูปแบบวันนี้ ทั้งางวก็ก็ยังดีแต่ถ้าทาเป็นประจำันะตินะติดติดติดติดติดติทติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติเติดติดติดติดติดต่ดติดติดติดติดติดติดติดติดไิด้ิดติดติดติดติดิดิดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดิติดนติดติดติดด เอาไวเป็นตัวช่วยแต่อย่าเป็นตัวหลักเพราะว่าถ้าเป็นตัวหลักมันจะเกิดเป็นติด ต, ตรงนั้นผมว่าทีย น, นี้ท่านพยายามแบบให้รู้สึกล่าแบบซื่อไม่ต้องมาใส่คำบริการแต่เราจะใช้ช่วยเพื่อเพอแก้อารมณ์ให้ชั่วขนาด ก, ก็โอเคเป็นไง มีสองคถานะครับคำามแรกก็คือเราจะต้องมีวิธีในการระงกระจายองรนะครับว่าที่เ่าเปนแล้วก็ที่สองเนี่ยกิว่าเราจะวัเสี้ยเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยจบกองคนที่ว่าโดยะคนที่าที่เขาจะบกว่าเขาสทมา่สมาธิได้นะครับเราก็จะมีวิธีอยาครับคถาแรกไี่ต้องคำส่งตรงไทยๆของขนาดที่ยกมือ หายใ จ, จเนหายใจล้มดูเป็นคนล้เราการลมือเปวหลักโดนหายใจปล่ย อ, ปยอยกเลยแต่ถ้าบางทีไปรู้ก็เป็นก็ช่ารู้รู้บ้างแต่แม่แต่ต้องมาเปประสานกันอ่ะมันจะต่างจากการทาแบบตุกโยคะหรือว่าไฮเกที่บางทีเอาลงหายใจประสานกับการเลื่อนไอไอันนั้นแตวิธีการเต้นสี ได้รู้สึกถึงการเพื่อนแต่เป็นเลยว่าบางครั้งถ้าจิตเราเครียดหรือมันเกรงลมหายใจบางทีมันตั้งการรู้บางทีก็นอกจากถ้าเรารู้ทางจิตที่เครียดมันเกรงบางทีเราไปเห็นว่าลมหายใจมันตั้งบางทีมันก็จะเป็นตัวเตือนเราว่าเราเกรงไปเราเครียดไปหรือทีมโกรธลมหาใจมันแดงมันแรงขึ้นนะ มันก็รู้เมื่อไม่ใช้ไปดูจากให้พร้อมกันแต่รูกกเพื่อเป็นการเพือให้เห็นว่าสภาวะร่างกายเันผิดปกติใจมิดปกติไปนะนี้ดูตรงนี้ไปก่อนส่วนคำถัมที่สองก็หลายคนที่มาคือวิธี น, น, นี้นส่วนส่วนนึงก็เกิดแบบลองฟัดแบบคำสำัมาษณ์นีแล้วก็ไม่ค่อยได้นะ แตถ่ถ้าเขาสนใจถ้าเขาสนใจก็อาจจะแล้แต่เขาอหละสนใจก็ให้เขาลองทำํำดูถ้าเขาเลยลองทำํำพีษธรรมดานี่ก็ได้หรือเดินเป้นโกมหนึ่งถ้าเขาทําสี่จังหวะก็ได้ลองถ้ามาว่าหลาก็ได้เห็นผลว่ามันปวามง่วงมันมันมันน้อยลงหรือเบาลงแต้วก็ความรู้สึกตัวเ น, นะมัน มันชัดขึ้นแต่ถ้าเราจะทําเพื่ อ, อความสงบมันไม่สงบหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ดีที่ความสงบเราดีที่ความรู้ตัวมันจะต่างกันนะถ้าทํำสมาธิทาเพื่อความสงบทาเพื่อการรับค่อมแต่ถ้าจเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเราตัวสติเป็นตัวนาเพื่อให้เกิดความรู้ตัวเกิดจิที่ตั้งมั่นอ มันอเกความรู้ตัวเกิดจิที่ตั้งมัน่นมันจะเห็นความจริงของตายของใจตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนะมันเข้าเข้าใจความจริงจิตก็จะ ร, รู้แล้วก็ากวางสิ่งที่มันยึดถืออันนี้คือ ป, ปัญญาทำแบบนะ้แต่วก็ลองดูเราเองก็ต้องฝึกทำํำดู เพื่อเขาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรนะในการเดินในการทํางานนะในการใช้ชีวิตต่างๆเขาจะไปยุบก่อนด้วยที่จริงหรือที่บางทีคนใกล้ตัวนะเขาก็รู้กันอยู่เขาสังเกตถ้าเราเห็นเราทําไปเรื่อยเื่อยเรามีการเปลี่ยนแปลงเขาจะ เขาจะรู้สึกสนใจเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเรานั่แหละแล้วเขาจะสนใจคือเราเป็นสุดอะไรมาแล้วเขาจะสนใจติดตามได้ง่ายวารงบชักครับสารพื้นฐานอยากจะถามทกคนะครับรือถ้าถ้าที่วัทางนีไม่ได้ทาครับผมสาราไปอัดใช้แบบ ท่าอื่นนทิทางข้าวหรือะในในชีวิตประจำวันได้ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านแล้วทำท่านี้พอ่อแม่ผต้องหนมามองแปลกในช่วงแรกแบบเพราะว่าเขาเขาอยากเลื่งเรื่องนี้ตำรั บ, บบ้านของเป็นเื่อใหม่เป็นเลื่อหมเพราว่าเราคนไทยอยู่กับการนั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธหรือมหัวหอมาตลาอดวันสนว่าไแปบบอันแรกเอาไป การเดินการกินข้าวการทักทาในในชีวิตประจำวันได้เนีครับ้ก็่จรหัวใจการปฏิบัติธรรมคือการเราเป็นไปด้วยกับชีวิตประจำวันของเราแม้แต่ะไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแบบนี้ตลอดแต่เพียงว่าเราฝึกเราฝึกรู้การเคลื่อนไหวแบบนี้เราก็รู้สึกกับการเคลื่อนไหวเวลาอหาเวลาเรากินจากอะไรอันนี้จปเรื่องต้น เรืนค <ừ> ืทค <ua>, ือคให้ให้เป็นง่ายที่สุดถ้ามีการใดในการวิเคราหหง่ายที่สุดแล้วสามารถผล็นโค้กอไปแบกยาวนานใช่ไครับไปได้แต่พูดตรงๆครัมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นใครมีทีเดีมันได้แต่ีเดียวหรอกมันต้องเหนเราได้กีฬาตุ้มซีพ่าพื้นฐาที่เราทาทุกวันเนี่ยมันตีการซ้อม้ามันพอซ้อมมันเด็ีเดี เหมือนลูกบอลทำไมต้องต้อมอกต้อง้อมเลี้ยมันถึงเวลามันไม่ใช่ต้องจิ้มนะมันเป็นของมันเองอันนี้ก็เหมือนกันแล้เรารู้สึกกับการเคลื่อนมันต้องสู้กับการสอมแล้วก็คิดประจําการเรามีการเคลื่อนมันก็จะเป็นของมันเองแต่ก็อย่างที่ว่าเราเด็ดถ้าเราทิ้งทิ้งรูปแบบไปเลยจะเอาเปเรียนฝึกฝีมืจําไปเลยมันจะยา ว่างๆใ่ก็ถ้าโยกตัวเฟลเขาเห็นแผลก็ทำ่นี้ก็ไดแค่พิมพ์ิ้กน้แต่นะแค่นี้ก็ได้แล้วก็ขนที่สองครับผมพูมาครั้งแรกนะครับแล้วกมั่นใจว่าคนยิ่มาคั้งแรกจะรู้สึกเหนผมคือคือผมอยากจะเรียนถามอันน่งก็คือ่าอาจารจะตองท่านชื่ออะไรครับ เดี๋ยวผมตุก๊กเอก็นอผมไปได้นักวาการทำงา น, งนาไม่ได้อ่านเลยมาสาย <c oughs> แต่นแรไม่ได้ลงตั้งเรียนกันได้ไงเดี๋ยวเดีวเราผ่านไนทีว่าเห็นเช้าพวกหลวงพ่ออีกองหนึง่งมีมากเลยเดินกันในห้องนะ้ำหลวงพ่อบอก็มาแต่แม่จะเรียนวันี้ผมก็มาในจริงใหม่ม า, าสายหาบ น, นะแต่เรื่องแค่นี้จริงๆครับขอว่าการย์ได้นำตัวดีได้นะครับ ผมดงจริงครับแคตาไม่หักเราสัมผัส้อทีอ่บ้านได้เอาแค่ดึงจริงจยามนะเอาแบบที่ที่เล่นก็ได้นะหมายถึงายาที่ยมเนี่ๆๆาบางคนก็เบียดต่างกันเยอ <c> ะ <oughs> เอาง่ายแล้วกันนะ <c oughs> ไปที่วัดป่าโต๊ะ หรือว่าไปที่อาศูนย์วทํารรมอยู่สองที่เนาะสถาจมที่พระอาจาร์โน๊ตพระอาจาร์ตุ้งอออือคอยีตังคมาอ่ใช่แต่บอกที่ยาวจริงๆนมันจะจำไม่ได้ครับอ่าสุดท้ายรับก็เดี๋ยวผมกลับไปในผมผํทำทุกวันแน่นอนแล้วก็ก็มีโอกาสไตรง์มาด้บ่อยที่สุดทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ที่จะเป็นเหตุให้เรื่องทำนี่คือหมดกำลังใจขอว่าจารฝาก ให้กำลังผมเลยนะร้อนะไม่ได้ผมกันนะครับที่ห้องทีมาใหม่ครับผมของคุยทักคุยกันเลยครับน้องลังใจก็ี่้ใจกันก็ให้ยา ประโยชน์ในในขณะที่ทำแล้วก็ผลที่ท่าถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าชีวิการถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นหรือว่าไอที่เคยลงที่เคยทุกมันก็ล ง, งมันจะมีกาลังใจในการทำเลยเมื่อไหร่ที่เราเห็นประโยชน์ตรงนี้เนาะก็มันจะเกิด แล้วก็ เ, เกิดความเพียในการทําแต่ถ้าบางครั้งมันมันคล้อนะกม็มีงทีทแล้วก็ ง, ง่วงทำแล้วก็พุ้งทำแล้วไม่สงบคือนะก็อาศัยอาศัยเกิดช่วยคือการเช่เราทําทําจับดุรายการจา CD, ับซีดีอ่านหนังสือตรงนั้นจะได้กำลังใจที่ว่เรามีความเกียขึ้นมาอีกเพราะว่า จริงๆครูบาอาจารย์ควรที่จรู้ธรรมะควรทมาสอนพวกเราท่านจะใส่ความเพียนในการภาวนาด้วยเลยในการบอกทางที่สันส้นๆกับพวกเรามันเป็นสิ่งที่ทถ้าเราลดรึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่สอนเราบอกเราเก็จะเก็นกำลังใจกันอันนี้ก็เป็นประโยชนวยก็ได้ษแ้วถ้าเราทํำไปบ่อยเมืม่อเราได้ผลในการภาวนาเองเราก็ อันนี้มันก็มันก็ไดเห็นเพราะเป็นเพียแค่อาการอย่างเหนือนก็ เ, เป็นเพียงแค่อาการอยากปฏิบัติเขเป็นเพียงแอาการไม่ได้ทำด้วยความอยากไม่ได้พักด้วยความเหนื่อยมันทําไปเพราะมันเป็นหน้าที่แต่ไม่ใช่หน้าที่แบบสัตแต่ว่าทํำนะแต่เป็นหน้าที่ที่เรารู้สึกว่ามัน คือสมควรทามือพอใจทําม่เสร็จถูกบ้านทุกบ้านเสนอบ้านมือเบื่อบ้านแล้วก็เรารู้ว่าอันนี้เป็นที่เราต้องทําอำเพราะว่าถ้าเราไม่ทํามันต้อง่ไม่ทําก็ทุบไม่รู้เป็นกำลังใจหรือเปล่าต้องให้แก่เพิ่มให้แก่ในกัรพิมพ์มือ ทำไดะมาหลพอก็อายจริจริ ง, ง, งนะับเป็นปรการ ค, ความป <c oughs> ่้งมด อ, มอายุว่าจาอยุแยงอาุตอนนั้นก็สี่สิบปีไปทำงนหลงพ่อคนเสียนแล้วก็เกาะท่าแต่แต่ที่ี่อะไรอย่างเงี้ยน่อยหนึ่ว่าคือเกาท่าอ่าเขาตู่อหลวพเสียถาว่ามาทำหน่อย ห็กไมาปฏิบัติธรครับแต่ว่าร oh ัรองได้เลยน่อรับตอบได้นะหลวงพ่อไม่รู้เลยครับว่าจะต้องผ่านอะไรบ้างหือวาเจ็บ่ไเคยนอนตีปีว่อก็เคยนอนตีปีมาหลวงพ่อก็บอกต่อไปเลยว่าที่นอนตื่นมาไไม่รู้สึกอิด เต็มนะทำชีวิตทำแบบพ่เก็คือตื่มาไม่เคยรู้สึกอิ่มเลยเหมือนพ่อก็ให้กันไปที่นายแต่คตอบองพ่กว่าเป็นเพราว่าลางไม่เคยตังใจเลยหลับไอจะไมื้อทิ้งปิดบ้านหลับไปพ้อมกับทีเปิดอยู่หลับไปพร้อมกับเปิดครั้งเดืยวจะไ เม่หลัไปม่ไหวก็ไม่มีตัวเมื่อหลักไปไไหวไม่ร้ตัวเปี่ยขึ้นมาก็เราก็ยังไม่อยู่ได้อีกว่าะอขออีกห้านาทีขออีกสานาทีมาเลื่อนานแบบนี้ใช่ไีเป็นสิ่งที่เหมือนกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่หลวงพ่อก็สืุอย่มากมากนรับหลวงพ่อเกร่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับ มันก็เก็บก็ให้ไปนั่งแบบว่าให้ไปนั่งสมาธิมาจินตนสักว่าตู้มของพี่โน่าประเจนมาเลยมภาพก็ไปถึงภาพเจ็บก็ให้ไปนั่งอยู่นั่งอยู่บนบกุฏิกุฏิหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยว่ามันเป็นต้นหญ้ใหญ่นะครับแล้วก็มีกุฏิวางอยู่บนเสาสีสาวาง หพอก็ถึงก็ลืมนะหลวงพ่อบอกว่าให้นับงนั่งสมาธิอยู่ก็อุทิศสามองค์เป็นเกณฑ์หลวงพ่อก็มองดูว่าทีุ่ฏินี้เนียตั้งอยู่บนก้อนินี้ได้ลงเนพักเรื่อมันไปอยู่ยับไไม่ไปสานเี้ยงเขาไปก็มาอยู่้ระดับเดินตามร่างเงี้ยพึงเลาสามองค์หลวงพ่อนเป็นเหลวงพอมันเก่งนะหลวงพ่อเก่งที่สุดหวพ่อเมื่อกี้นั่งคิดไปหรื่า จริงๆเลยไม่ได้นั่งเลยเลยดูเดินวนว่าคำสั่งที่บอกบอว่าให้เราไนั่งสมาธิไปข้าหูนะครับแต่ไม่ได้ถ่าแล้วนี่คือตรนี้คือปัญหาตรงข้อที่ถามัรงไหนมาทำให้ไรมีความรู้สึกได้เลยว่าเราถากสนิทอย่นี้แต่จริงๆแล้วพ่อก็ยังมีปัญหาอีกเลยนอทีชนเคยกินบีบีพายด้วยนะเข้าใจครับ ดี่เราก็เลอนใจที่รขฐาลแล้วินยังไงแต่หลวงพบอก็บอกบอกว่าให้ที่กินไปตอนเช้าแล้วตอนกลางันก็ยไปไหนหน้าเลยยิงไปทางไหนที่นี่เปนเรื่องประกานแต่หลวง่อไม่ที่หลวงพ่อกเพื่อนเดี่ยวอามคนที่เดือดจูงกันนั่นเดือดจูงไ่ได้กินไเ้าด้วยกันเะถึงตกลรงวัที่เจอหน้ากันกินก็ถามกันว่ามีน้ำซอลโวหรือยัห่างกันกี่ชั่วโมงก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็เป็นปัญหามากเลยนะมองตาไปแล้วก็เลยยึดถึงไม่ได้เลยนั่นองนั่นสามข้อโง่ที่เราเลยกินอะไรกันไปเลยก็เป็นแบบนั้นนี่คือมันเป็นสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นก็เกิดเกิดการละคิดนะอย่างที่รู้ชาแล้วเข้าใจแล้วูดถึงใช่ไหมคัก็คือในขณะที่เราทวามสิ่งหนึเราก็มีความคิดไปไปอีกเรื่องหนึงเช่ไหครับ ในขที่เรากำลังกินช้าเลยวิทีถึงกลางวนในขณะที่เรากินประมาณวิธีถึงเย็นในขณะที่เรากำลังจนอนวิธถึงเรื่องพวกเ้ช้าในแต่ละนีืเป็นเรื่องที่เราอยู่กับความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นถือเมื่อเป็นอย่างนี้นผมพ่อเองก็รู้สึกได้เลยว่าเราเราต้องตัต่างกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนั้นผมก็เขียนเขบอก่าบอกว่าเดยวนนี้ลองดูนะ ความตั้งใจเราะหรือว่าก็บอกวิธีการตั้งใจเราที่คืออยาหาเรื่องมิดหรือว่า่แบแล้วก็หรือว่าก็บอกว่าถ้าเวลานอนไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเจออคิดที่ตัดมาหรือตกตานะครับแบตกๆผ่านด้วยออกมาหรือว่าเคาะๆหน้าอกนิดๆหน่อยๆอย่างนี้หรือว่าเห็นในทางแบบนี้ซึ่งปรากฏว่ามานั้ก็เป็นวันแรกที่ หลักฐานที่ไม่ใช่ลืมเปิดไฟค้างหรือมีสุขบิดมันก็เรางพ่อต้องควารู้สึกว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เราได้อาศัยนะครับการมีสตินะครัคือการตั้งใจนอนแล้วก็หลวงพอก็รู้สึกว่าหลวงพอสัางวิธีการเพราะว่าวิธีการแบบนี้เี่ยราสามารถทำได้แล้วมันกช่วยเราไริงจริงี่ผามาสี่สปีที่ผ่านมาเนี่ย เคยเอาเที <aggressive INGING vicious ly> course, ่แบบเรยกว่าใช่ไหมครับบานอนปีๆมาตลดเนี่ยเราไม่ควรใช้การปฏิบัติธรมด้วยามเลื่อนหายที่นี่ใหม่กา้เก็มนช่วยาได้อีๆตรงนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ทาให้หลวพอว่ามีศรัทธาเนามีศรัทธาที่จะปฏิบัติต่อเพราะว่าตนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าอยที่กัจจานุว่าถ้าเกิดวาเมาพกมากันเป็นวันเนี่ยมันช่วยเาได้าต่ออี แต่ว่าทุนเงก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อก็น่าใจนะครว่าเราพวกเรานอยู่แต่อยู่เป็นประแต่เช้าจนเย็นเนี่ยมีสินเงินที่มันอาจะแตกต่างเรื่องงก็คือวันนีน้เรามยู่กี่สิบ้านงิคบเนี่ย้าน่งหนึ่งวันเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับโลกโลกเนี่ยหลวงพ่อมัมอนอยู่ี่ไรครับถ้าเราถ้า อ, อ, าอาจจะออกไปาเรอจะทาข่าว อาจจะอะไรนานๆหรือไม่หลังฟัาไม่หนว่าแต่ถ้าวันนี้ป็นพฤติกรรมการหลับาความกุญิในใจไม่ได้ทาให้เราต้องออกปากออกทาออกตาเนี่ยเราว่ไม่คือผมเปการกระตุาเห็เราอาจจะทำได้หรือทำได้ก็อาจจะทำหรือเาที่เองแต่ไม่จะมา้ในหองไหน้างในการถึถ้าวันนี้ไปทำได้แค่นี้ไม่กุญิบอะไรใครเลยเลย ที่แสดงว่าการปฏิตมเรปี่ยไ้ระอว่ามีกลังใจปฏิบัติมากเลยถาะทุกท่านมีไหมมีมีคนม่่านนี้ถือว่าเพิ่ม่ล มีหน้าลูก ไม่ใช่เอาความสงบเป็นทีเน่เป็นเป็นเกมวัดนะคือเอาป่าที่เรารู้ตัวสติมันเกิดขึ้นบ่อยไหมหรืออีกย่างก็อยู่ว่าเวลามันเติบไปคิดมรเติบไปหลงกับอารมณ์ต่างๆเรารู้ทันไ่ใได้เร็วไห ม, อ, มอันนี้คือเป็นามก้าวหน้าของการภาณนาไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่คิดมันจะต้องสงบ แต่ถ้ามันเกิดเปคิดหรืออารมณ์ขึ้นมาในจิตเราเห็นมันเร็วเมื่อเห็นแล้วเรารัะได้เลยเราตัดมันรู้สืกตัวได้เลยนี่เองคือความเปลาหน้าไม่แต่ละวันถ้าเราสังเกตถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่แต่ว่าวันนี้รูปตัวครั้งหนึ่งสองครั้งแค่คำเดียวเนี่ยน้อยมากนะเทียบกับ24ชั่วโมงที่เราได้นี้ แต่อย่างน้อยนะรถเราได้เท่าไหร่กินข้าอย่างน้อยที่นาทีเนี่ยรู้ตัวอ่าเท่าที่มันทําได้แล้วก็เราเดินอ่าไปเข้ห้องน้ำก็รู้ตัวเท่าที่ทําได้เราขับรถเนี่ยก็รู้ตัวเท่าที่ทําได้อาใจความรู้ตัวเท่าที่แท้ทีจาบังไม่ใช่รอว่าเราจะ้ปฏิบัติทำตอนที่เรา ว่าแบบไม่ทําอะไรเลยแต่เราจะเอาการปฏิบัติธรรมเข้าไปแทรกสติที่เราทําอยู่ประจันนั่นแหบบละแล้วสติมันจะใช้คันจะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันต่อไปเรื่อยๆครัน้นี้มันก็จะเกิดความเรียกว่าเกิดควา ม, ามํานาญนะโดยเกิดเป็นอัตโนมนัติมากขึ้นอันนี้นแหละคือมันก็จะเกิดมหาสติขึ้นมานมันก็จะมีกําลัง ม, มากขึ้ น, น มันมีกาลังมากขึ้นไอที่มันเคยนหลงบ่อยหรือว่าหลงแล้วเรียกว่าแพ้ทางในทุกทีเลยเมื่อสติเรามีกําลังก็มันก็จะละได้มันก็จะถอนได้หรือหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไปงยึดไว้มันกีแล้วมันปลูกแล้วมันใท่แล้วต่อไปก็จะเห็นว่ามันเจือด้วยอะไร อันนี้เหตุอันนี้ก็เป็นตัวตัวที่เราสร้างขึ้นมาของเราอันนี้ก็เป็นความคิดไม่ปลอใจที่มันแทะอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นความพอใจที่มันแทะขึ้นมาตรงนั้นไหมมันจะไปช่อยๆเห็นค่อยๆเห็นอะที่มันแทะที่มันไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ในใจอันนี้นก็คือพัฒนาการนักที่ถ้าเราเจอสติเราก็จะเห็นพวกนี้แหละนะ มันก so, <Fit. S 1> ็จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นความมั่นใจที่จริงเป็นความมั่นใจไม่ใช่กำลังใจเป็นความมั่นใจว่าเรามาถืกทางเนี่ยทางเนี่ยจะทําให้เราที่ว่าจิตมันงงมันสุดขึ้นลอยสุดต้องขันเก่งเก่งแล้วได้เก่งแล้ววางได้มันจะเกิดความมั่นใจอัเนี้ยเรามาถือทางตามคําสอนของตัวอาจารแล้วก็ ของโคฟูเจียร์นะ ถ, ถ้าเรามั่นใจนะเราเนะก็จะทําเรื่อยๆแต่ผู้เหล่านี้ใช่วิธีอื่นไม่ถูกเป็ไม่ธีนะไม่ใช่นะแต่เราก็ถ้าเราทําวิธีนี้เรารู้สึกว่าเราได้ไประโยชน์เราก็ทําไปบางคนก็ทําวิธีอื่นแล้วก็ได้ประโยชน์เขาทาแล้วก็าเกิดผลเหมือนกันเขาถูกของเขาเหมือนกนะันเป็นทางที่อาจจะเดินคนละ เบิ้ลบต้นเนี่เดินต้นระเสนแต่จิงก็ไปปูกต้มาเพือการรับสู่ม